ฉันทะถึงจุดลงตัวของความหมายที่ใช้เป็นมาตรฐานเมื่อได้ทราบความหมายของฉันทะตั้งแต่ความหมายพื้นฐานจนถึงความหมายที่แตกย่อยไปต่างๆตลอดจนการใช้ที่แผกผันไปในกรณีหลากหลายพอมองเห็นได้กว้างขวางครอบคลุมเป็นภาพรวมที่พอแก่ใจไม่สับสนฟั่นเฟือแล้ว ก็คิดว่าคงพร้อมที่จะสรุปลงตัวได้ที่ว่าลงตัวก็คือจะยุติเป็นความหมายหลักอันชัดเจนที่จะใช้ในการศึกษาโดยมีความเข้าใจร่วมกันถือเป็นมาตรฐานต่อไปรวมความว่าสัพธรรมะที่มีความหมายกว้างครอบคลุมความอยากหรือความต้องการซึ่งเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ได้ทุกอย่าง ก็คือคำว่าชันทะชันทะที่ไม่ดีเป็นอกุศลเป็นฝ่ายชั่วตรงกับคำว่าตันหาในเมื่อตันหาก็เป็นคำเด่นเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจันทะที่ไม่ดีนี้ก็ใช้คำว่าตันหาแทนไปเสเลยชันทะที่ดีเป็นกุศลมีชื่อเต็มว่า อุสรธรรมฉันทะบางทีเรียกสั้นเป็นอุสลฉันทะบ้างธรรมฉันทะบ้างในเมื่อฉันทะที่ไม่ดีเรียกว่าตัณหาไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะสับสนฉันทะที่ดีก็เรียกคำเดียวว่าฉันทะไปเลยส่วนฉันทะอย่างกลางๆที่เรียกว่ากัตุกรรมยตาฉันทะ คือความต้องการทำหรืออยากทำโดยทั่วไปก็ใช้ในความหมายข้างดีถือเป็นกุศลธรรมฉันทะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รวมอยู่ในคำว่าฉันทะนั่นหละด้วยถึงตอนนี้ก็ยุติได้เป็นอันว่าเหลือสองคำบอกว่าแรงจูงใจคือความอยากความปรารถนาหรือความต้องการมีสองอย่าง คือ1ความอยากความต้องการที่ไม่ดีเป็นอกุศลเรียกว่าตัณหาคืออยากเสพอยากได้อยากเอา 2. ความอยากความต้องการที่ดีเป็นกุศลเรียกว่าฉันทะหมายถึงอยากทำคืออยากทำให้ดีงามสมบูรณ์เป็นอันว่าใช้คําหลักเพียงสองคา คือตัณหากับชันทะเท่านั้นพอแล้วรันยุติได้อย่างนี้ก็ปลอดโปร่งโล่งสบายใจโดยมีความมั่นใจพร้อมด้วยเพราะที่ลงตัวนั้นก็สอดคล้องตามมติที่ถือสืบมาของอัตถกาถาและคำภีทั้งหลายที่สุดท้ายก็แบ่งความปรารถนาหรือความอยากเป็นสองอย่างเช่นนี้เมื่อชัดเจนไม่สับสนแน่แล้วก็ขอเล่ามาติกาเก่าเหล่านี้ เสริมไว้เป็นความรู้ประกอบเล็กน้อยคำพีจำนวนมากเมื่อกำลังอธิบายเรื่องโน้นเรื่องนี้พอมีข้อเกี่ยวโยงถึงตันหาหรือชันทะก็ชี้แจงแยกแยะแม้ว่ามักไม่ระบุชัดแต่เห็นได้ว่าท่านต้องการให้รู้ความต่างระหว่างชันทะสองอย่างแต่ที่บอกชัดโดยระบุออกมาว่ามีสามอย่างนั้นไม่พบเลยมีแต่คาอธิบายอันให้รู้โดยในยะ ดังที่มักพูดว่าการมัชชัญทะได้แก่ฉันทะคือกามไม่ใช่กัตุ ก, กรรมยตตาฉันทะไม่ใช่ธรรมฉันทะบางแห่งระบุ ช, ชัดออกมาเลยว่าเป็นสองอย่างคือชื่อนั้นๆว่าโดยทั่วไปก็คือแยกเป็นสองอย่างได้แก่หนึ่งตันหาฉันทะคือฉันทะที่เป็นตันหาสอง กตุ ก, กรรมมยตาฉันทะคือฉันทะที่เป็นความอยากทำพบในอัถกถาสองคำพีที่ประมวลสาวรัในเรื่องนี้เขียนไว้เป็นหลักชัดลงไปทีเดียวคือในคำภีปปัญจสุทนีและประมัตถทธธีปณีท่านกล่าวไว้ว่าความปร า, ารถนาบาลีว่าปัฒนาแปลเป็นไทยง่ายๆว่าความอยากมีสองอย่าง คือหนึ่งความปรารถนาที่เป็นตันหาบาลีว่าตันหาปรารถนาแปลง่ายๆว่าอยากด้วยตันหา 2. ความปรารถนาที่เป็นฉันทาบาลีว่าฉันธาปรารถนาแปลง่ายๆว่าอยากด้วยฉันท่านี่คือหลักที่ท่านแสดงไว้อันถือได้ว่าเป็นการมาถึงจุดบรรจบ ที่พึงยุติการจำแนกแรงจูงใจแห่งความอยากความต้องการเป็นสองอย่างคือตันหากับฉันทะดังที่ได้แจกแจงมาแล้วนั้นในเรื่องของความปรารถนานั้นคัมภีร์ปรปัญจสุทนีและประมัตถทธธีปนีท่านยกตัวอย่างจากบาลีมาอ้างด้วยว่าคําว่าปรารถนาในพุทธดํารัสว่าผู้ที่ปรารถนาอยู่ จึงมีความเพอ้อพร่ำกับทั้งความหวั่นไหวในสิ่งที่หมายใจเอาไว้ตรงนี้เป็นความปรารถนาแบบตัญหาความปรารถนาในพุทธพ์ว่ากระแสะของมารร้ายเราตัดได้ทลายทำให้หมดลำพองแล้วเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทพึงปรารถนาความเกษมเถิดตรงนี้เป็นความปรารถนาแบบฉันทะ ซึ่งเป็นกุศลได้แก่ความอยากทมคาอธิบายทางนี้ท่านปรารบคําว่าปรารถนาในบาหลีอีกแห่งหนึ่งว่าแม้ภิกษุใดเป็นเสกขะยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลเมื่อปรารถนาธรรมะอันเป็นโยคะเกษมอยู่คําว่าปรารถนาในที่นี้ก็เป็นความปรารถนาแบบชันทะเช่นกัน